ต้องการจะขอคุณสุธันต์ท wow ี ah ่เป็นที่เพื่นที่ัาใจญ่ทันใต้ไปนครสองสามครั้งไม่ได้ไางทุกเด็กเพราะเราคนใดไม่เคยปฏิบัติการน้ำแห่งศรีไม่ย่อมเลยไม่เคยสนใจศาสนาไม่เคย ภาวนาเนียนจริไหมวนาทุกคนในหอ้องน่างระทับใจตาจริงใครเครปฏิบัติบ้างยกตัอย่งให้ใครปฏิบัติตโอ้ยอะไรนี่อนุโมวนานะศาสนาคงยังไม่สูญไปหรอกคือ ถ, ถ้าพวกเราไม่สนจกปฏิบัตินะเราจะไม่มีทางเข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ แค่เปลี่ยนเกจนาดไหก็ได้ได้จำจาไม้ทํามันไม่เข้าสู่ใจเราการปฏิบัติเนียป็นการนำสนมาเข้ามาสู่จิตใจของเราถ้าเราปฏิบัติคำแล้วสิ่งที่เราจะได้คือได้สมาจิตจิตและความรู้ตูได้ความเข้าใจตูถ้าเราได้สมาจิจริตไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความปนตุถ้าเรามีวิชาพิจิตมีความหลงผิดมีความเป็นผิดอยู่ ใจเราจะเปลี่ยนไหวมีแรงความฟุ้งตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ทเรามีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกจิตม่นจะถอนตัวพอพอกจากของทุ้งเรียกถอนออกไปลำตักลาตักไปทีแรกมันจะปล่อยมันไปปล่อยวางอารมณ์ที่จิตไม่เคยเข้าไปยึดถือแล้วนักต่อนานในช่วงแรกเยเราจนะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เข้าไปจับอรมณ์เดี๋ยวจิตก็ปล่อยอารณ์ อันนี้ผู้ทชนก็ทาได้รูกใบนี้คนซึ่งฟังหลวงพ่อสอนภาวนาแล้วสามารถวางอารมณ์ใจนี่นับจานวนไม่ถูกคนใดเย็บหลัาจากนั้นก็เกิดการปฏิบัติที่สูงไปอีกจะปล่อยวางความยุ่งือในร่างกายได้แต่คนที่ปล่อยวางความยุ่งเอยในร่างกายได้นต้องปุจิตปรุงธรรมระดับเ้านาคำเ ตัวเราสนใจกูหันละข้างมาตั้งแต่จิตของเราแค่รมดีแคู่จตัวบนั้นหนาหนาขั้นสุดท้ายหนึ่งจะปล่อางจิตการปฏิบัติจนขั้นสุดท้ายจะปล่อยวางจิตให้จิตจะไม่ยึดถือจิตทำไมจิตจะไม่ยึดถจิตเนื่จากจิตเป็นจิตอย่แจ่มแจ้งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเ่ตัวจิตนั่คือตัวทุกส่วนพ่อตัวแม่ของทุกเรื่อ อาศัยจิตตัวเดียวเที่เรายึดถือมันก็สามารถไปสร้างรูปนามใก่ใจสร้างทาสร้างคันใหม่ขึ้นมาได้จิตเนี่ย ม, มันเหมือนเมล็กพันธุ์ของต้นไม้มีเมล็ดอยู่ต้ น, มนเมล็ดเดียวนะ่ะก็เป็นกอนเป็นต้นไม้เปนมาเป็นต้นได้มันออกลูปออกหลาได้อีกเยอะแยะอย่างถ้าเรายังไม่สามารถปล่อยวางจิตได้ก็ยังเบียดบัไนไเกิดขึ้นอาศัยจิตตัวเดียวนี่แหละม า, าให้ได้ รูปธรปรานามธรรมใหม่ๆใ้กายในใจอันใหม่ไหมแต่การที่เราจะคนมาจะถึงนขั้นปล่อยวางจิตได้เหมือนก็ต้องใช้เวลาแล้วปล่อยไปตามลำดับ ๆ, ๆก่อนจะปล่อยจิตได้ต้องปล่อยกายได้กายกเราดูง่ายกว่จิตมัเป็นทางผ่านที่เราดูไม่ง่ายดังก่อนที่จะปล่อยตรงนี้ได้แเราก็ปล่อยของที่ยากกว่นเยอะหน่ ความที่ยึดในน้นอืออารมณ์สังข า, ายที่เกิดขึ้นแต่พวกเราไดยึดในสิ่งที่จิตจเป็นรูปธรรมเวลาเราเห็นรูปเราจะยึดในรูปที่เห็นเห็นคนที่สวยคนนี้ไม่สวยชอบเราเข้าไปยึดถือนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเรายึดถือในเสียงเราได้ยิคนนี้พูดโดยชอบจะยินอย่างนี้ไม่ชอบเสียงได้ยินดี บ, บ้างยินร้ายบ้าง ยึดในกลิ่นยึดในรสยึดในสิ่งที่มาสัมผัสรางกายยึดในเรื่องราวทางใจที่เราชิดขึ้นมาเราคิดแล้วเราไมเชื่อเป็นจิตเป็นใจในการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นจะปล่อยตัวอารมณ์อย่างไหลคาว่าอารมณ์เนี่ยคำว่าสิ่งที่จิตเป็นรู้เข้าอารมณ์กับจิตไม่เป็นของคู่กันจิตคืออะไรจิตคือคนที่เป็นรู้รมณผู้เป็นรั้รมณ อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่ที่จิตไปรู้เขา้าคำว่าอารมณ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยแม่นยำทางโลกจากโลกอารมณ์เนี่ยภาษาทั้ทงไทยอีบุชันส่วนอารมณ์ในทางธรรมะเป้าหมายของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่จิตไปรู้ตัวออบเจกตัวออบเจกสิที่จิตไปรู้เขา้าจิตไปรู้อะไรได้บ้างจิตไปรู้รูปโดยอาศัยตา จิตจะรู้เสียงโดยอาศัยหูจิตจะรู้กลิ่นโดยอาศัยจมูกจิตจะรู้รสโดยอาศัยลินจิตเป็นรู้สัมผัสเป็นร้ออ่แข็งตึงไวที่มนจะต้ร่างกายอาศัยร่างกายไปรู้จิอาศัยใจเปรู้เรื่องเราคิดเรื่องทางใจแล่จิตจะอาใสยสิ่งต่ออกไปตล้อกระโหลไปนอกในความสั่ใจแนตะ่ควาจิตมันจะต้องกระโหลแล้วเนี่ยไม่มีสติปัญญา่อ จิตเจะเข้าไปยินดียินร้ายเข้าไปยุคเสน่ห์อย่างเวลาเราเห็นคนถ้าสติปัญญาเราไม่พอเราก็าคิว่าคนมีจริงๆคนมีจริงๆริงแต่ใจด้วยคนที่สวยคนที่ไม่สว ย, สวยแต่คนไม่ชอบเห็นผู้หญิงสวยสวยไม่ชอบบางคนเป็นผู้ชายหล่อๆไมชอบเใจมันชอบเป็นคนนั่งเขียนไม่เป็นหมายมนั้นใจมันจะชอบเ ใ, ใจมันเข้าไปยิน ๆ, ๆียินร้าย ในสิ่งที่รู้นื่กันที่เรามาฝึกตเองจนมนคนจัดปั่ยิีไลน์ในอารมณ์ดเนี่ยให้ความรู้ทันจิตใจเราเองจิตใจของเรายินดีให้ทันจิตใจของเรายินไลน์ให้รทันมันไม่ยากอะไรหรอกเด็พวกเรามีเพื่อนสมเป็นีมยที่เราเกียนใครมีคนที่เกลียดเราไหมยกมือให้ตูนหนึ่งซีมีไหมทหารเลยมีนุกคนแต่เราม่ชอบตั้งเกลดได้ ยังมาข้อร้องว่าอะไรหลานี้ดีแต่ทุกคนเสมอกันหมดเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภูกจสิทธิภูมิธรรมที่เราจะเป็นอย่างนา้ที่เราเกลียดเลยเราชิดแลเขาเป็นคนจริงๆเขาไม่ดีเหงนถ้าไม่เรีอะไรเรเชื่อคนจะมีอยู่จริงๆเขาก็มีจริงๆเราเราก็มีจริง ๆ, ๆนะก็เลยยึดถืขึ้นไปขึ้นมาที่เราจะมาอ่นอนานะ ถ้าวันหนึ่งปัญญาเราเกิดเราได้รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะในความเป็นจริงตัวเราไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่มาต้องภาวนาก่อนแล้วตัวเราไม่มีในความเป็นจริงตัวเราไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรแต่เรามีความลงผิดว่ามีตัวเราการปัญหายใหญ่คือที่ความลงผิดปางโงกของจิตไม่เห็นใช่จิตไม่งอกนะจิตจะรู้ความจริงว่าไม่มีตัวเรา ถ้าเมื่อไรเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเป็น แ, แค่จริงจะได้บุญธรรมในขั้ทนที่เรียกว่าพระสุนทรภพแล้วกลับไปคุณจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งตปสิ่งที่มีอยู่คือตัวรูปนามกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ร่างกายที่เป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางร่างกายถ้าเมไร่มันเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางจิตเพื่อมาดูความจริงในกฎข้อต้องไปดูมไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอยู่ ถ้าสนใจจะดูนะทุกคนก็ดูได้อย่างพวกเรารู้สึกตัวขึ่บ้านขั้นแรกก่อนที่เราจะเผยเจริญปัญญาเพราะนาความผิดไปสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกก็คือฝึกรู้สึกตัว้เป็นรู้จักใจ่อยไหมใครใจ่อยเป็นยกมนะ่ลยใครไม่ยกเนี่ยมุสาแสดยวราใจ่อย ปัญหาหลักเลยที่ทำให้เราภาวนาไม่ได้ภาวนาคือการเจริญสติเจริญปัญญาไม่เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เห็นความจริงของสิ่งที่มันกระทมก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงของอารมณ์ที่จิตจนรู้เข้าราก็ปล่อยมาอารมณ์เห็นความจริงของร่างกายก็ปล่อยวาร่างกายเห็นความจริงของจิตก็ปล่อยวางจิตนี่ทำไมเรารู้อารมณ์รู elle, ้กายรู้ใจอะไรตัวเองไม่ได้ ใจลอยเราใจลอ ย, ร, ลอยรูอจักใจลอยไหมใจลอยเวลาใจลอยสมมติเรานั่งใจลอยอยู่ดูมรดกเคยไหมดูมรเราไม่รู้ม่อยู่กันเจ็บด้วนั้น่รู้หรอกขันคันรเอาสมเด็จเป็นใจลอยคิดถึงเรื่องวันเรื่องเดือขณะที่เราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายนะแต่เราไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย เรามีจิตใจเรามีความรู้สึกลึกนึกเท่าไหร่สุดว้างคุดว่างดีบ้างร้ายบ้างเป็เราไม่รู้เป็นเาที่ใจลอยในเรืมทุกสิ่งทุกอย่างไเพื่ อ, อการใจลอยเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเห็นร่างกายเห็นจิตใจของตัวเองได้เมื่อใจรลอยเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ล่ม จ, จิตใจแ้วการใจลอยเนี่ยคือสัตรูมหมายถึงเดิมของการเจริญปัญญา จจา ก, า ก, การเฉลยประจาหการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้ใจลอยเมื่อไหร่ร่กายก็ลืมกายแล้วจะไปเห็นรูปกายได้ไงเวลาใจลอยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่รู้เพราะใจเราลองลอยไปที่ไหนเราก็ไม่สามารถเร็นรูปความจริงของจิตใจได้เนื่องตัวที่กว้างเราทำให้เราไม่สามารถรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจิงได้สั่งทูบอนเดอรเกิดคือความใจลอยนี่พวกเราต้องมาฝึก โดยธรรมชาติเนี่ยพวกเราจะลอยตลอดเวลาเพราะอะไรธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินเสมอคนใหนชินโมโหนะมันจะโมโหง่ายคนไหนชินโลภเจออะไรก็อยากได้มันจะโลภง่ายเจออะไรก็อยากได้อีกชนคนใหนใจร่อยมันจะใจร่อยบ่อยใจมันเคยชินที่จะใจร่อยเพื่อนทุกคนเนี่ยชอบใจร่อยคนเราทําให้ใจร่อยนะมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ย มันจะไม่โรคมันจะไม่ปวดด้วยนะความโลภความโกรธเนี่ยมันตางความใจรอยมาถ้าเรารู้แล้วรู้ตัวอยู่เนี่ยความลบความโกรธจะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เองนะไม่ต้องห้ามเลยเพราะนั้นอาศัยความหลงคือความใจรอยไปหลงไปลืมตัวเองไปทีได้ลืมแล้วก็อาศัยความหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยตางไปมาเป็นแถวๆแล้วเพราะาพยายามมาต่อสู้กนะับความใจรอยของเรา อย่างให้จิตใจมัอยู่กันเยอะกันตัวภาษาไทยเนี่ยดีมากเลยนะเป็นภาษาที่รับรวยได้คํายรสื่อออกรู้สึกได้คลาดีมากเลยพเพราะการรู้จักธรรมะให้จิตใจใอยู่กันเยอะกันตัวไหมรู้จักํานี้ไหมรู้จักธรรมสมาธิไหมการรักษาสัมัสสมาทิกืออะไรสมาธิแท้ๆคือสภาววัที่จิตใจอยู่กันเดอะกันตัวเลย จิตใจมันตั้งมั่นไม่ยูเงินส่สวนไหนเลยเพราะสัไทายเราดีนะสัตวไทายเราดีถ้าเราเ้ามาใช้นันเป็นแล้วเรต้องอยากเหมานสมให้จิตใจอยู่เงนสตัวแต่จิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงว่าห้ามมันไม่ได้เคยเคยไหมเคยตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โปรดเปยเป็นไหมตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักเป็นเป็นหแก็อไรก็เราห้ามไม่ได้จิตเป็นใจเอง แล้วเคยจิตนะตัวมันเป็นน้ำตาเราไม่ไปสั่งมันไม่ได้จิตมันเคยหงมันก็จะหลงมันจะใจลอยมันก็ใจลอยห้ามมันไม่ได้หรอกเราต้อาางฝึกความเคยจิตที่จะรู้สึกตัวถ้าเราสามารถเคยจิตที่จะรู้สึกตัวได้แล้วความรู้สึกตัวจะเกิดไหวนะแล้วความรู้สึกตัวดุจีขึ้นจิตขึ้นใจนใจะตั้งมั่นใจจะอยู่กับเนเื้อกับตัวเราเี่ยสมาธิมันจะเกิดแล้วถัดจากนั้นเราสามารถจะเกิดปัญญา เราสามารถเห็นความจริงของกางใจได้และสิ่งแรกนะที่หลวงพจะสอนพวกเราเคือวิธีฝึกให้จิตใจมันยอดตะวแต่นี้สำคัญที่สุดเลยนะพวกเราจำเลยมากเลยคิดถึงการปฏิบัติธรรมไร่ตอนนคิดการในน้ำสมาธิแล้ ว, วนคนก็ยังน้ำสมาธิเลยคิดเดินจงกลซึ่งพวกนั้ น, น, น, น, น, ปปนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องถึงมันแต่ทําม่ได้จิต ต้องาฝุกแม่ใจอยู่กันด้วยตัวสมะถ้าจิตใจเราอยู่กันด้วยตั ว, ตวสมาธิมันจะเกิดแล้วมันจะสามารถเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะรวยต่างานได้เพราะว่าติดจิตมันร้องรอยตลอดเวลาห้ามมันก็ไม่ได้เราต้องมาฝึกวิธีฝึกก็คือต้องทําำสมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทํานะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลย วนไหนถนัดพุนน่โผพุ่โผแล้วสบายใจพุ่งพุ่งไวในไหนถนัดร้ลงหายใจใาเสียงออกรู้สึกตัวหาเสงเข้ารู้สึกตัวก็หายใจไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปวันไห น, นขนัดืองเฮายกพุ่งยององยืองยุใจเป็นคนตัวใจให้คนอื่นไปที่ืเป็นร่างกายมันพองอย่างร่ากายัยุบรู้สึกยู่ นเวลาครูบาอาจารย์สอน้ะถ้าจะสอนให้รู้เท่าทันจิตของตนเองท่านกะปัญหาสักอ่งหน่งแล้วคอรู้ทางจิตตนเองเช่นพุทโธพุทโธจิตนี้เป็นจิตะจิตนี้ิ่จิตะลออยไปให้รู้ก็ามันดึงพุทโธน่ะมันมีวิชิตเรื่องหนึ่ง่ะถ้าดูลมหายใจออกหาเข้าหายใจเป็นสักพักมันมีวิชิตเรื่องหนึ่งน่ะมันดึงการนี้ลมหายใจก็ให้เรารู้ไว้หน่อยว่าเร้ยดึงลมหายใจ่ปละ แค่ให้เรามีเชื่ออยู่ของจิตทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งสักก่อนแล้วคอยรู้ฐานจิตอยากไปทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบนะจิตสงบเป็นผลไยได้ทั้งนั้นเองทํารอนฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้ว่อยรู้ฐานจิตตรงนี้แหละจึงเรียกว่าจิตสิทธาเป็นที่ยิ้มไหว่าจิตสิทธาสิ่งที่ผู้ได้เจ้าสอนให้พวกเราเจรนะิอมีศีลสิทธาจิตสิทธาปัญญาสิทธาศีลสิทธาคือ การสุกอบรมจิตใจให้มันีศีสตสิกขาตื่นตึกอบรมจิตใจให้มันอยู่กั่เนื้อเป็นตัวปัญญาสิกขาเขาจะใช้จิตใจที่อยู่แต่เนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะเรียนรู้ความจริงของตัวเองเม่อเห็นความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านสอนบอกว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายึง่คลความยึดถือที่คลความยึดถือไปจืด แค่เราต้องกรรมฐานอย่างหนึ่งนะครัพอจิตนี้ไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้นะอย่าบังคับจิตว่าห้ามหีไม่ใช่พุณผถ่คุณโถ่เราห้ามจิตเรื่องหนึ่งทนะ่านท่านเดี๋ย้จะเสียทันทีเลยนะอย่าไป บ, าบังคับมันสือธรรมชาตนะิให้คุณโถ่ไปให้หายใจไปถนะนัะกรรมฐานอะไรก็เอาทุกอย่างเลยอะไรก็ได้กรรมฐานะถ้าเราต้องเลือกติ่งเลือเ่อนตัวเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุข เาเอารมณ์นั้นมาทำธรรมาแต่อารมณ์นั้นต้องไม่รู้จิตเรศนะอย่างบางคนดา่าคนอยู่ต้อง ม, มีความสุขแนั้น <c oughs> นั่ด่าทั้งวันเลยรับมีสมาธิไหมจกจรอัตตาไม่มาาไหนเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สมาธิที่ดีมันไม่มีสติยัง <c oughs> ต้องเป็นอารมณ์ที่มันยุ่งว่ น, ก, น, น, ไไนกิเลศนะ้พุตัวไปมายใจแฟรดึเข้าอยรุกก็ ไ, ได้แต่อยากมืออย่า ง, งนี้กเกี่ยนก็นได้อะไรก็ได้เงินโจตนก็ได้ ทำกรรมฐาสักอย่างหนึงนะแล้วพอดูพันจิตตัวเองถ้าจิตแอบไปคิดให้ดูอันจิตแอบไปคิดให้ดูพันตอนนีจะพาให้ดูจิตที่แอบไคิดหลวงจะหยุดพูดช่วง่านะระหว่า ท, ที่หรวงพ่อหยู่พูดเนี่ยห้ามพวกเราจิดอย่าชินนั้นห้ามกันชิตไหมชินอย่าไปห้ามมันเลยนะซึบหลอมไม่อีใคห้ามมันได้ จิตมีหน้าที่ชินจิตมีหน้าที่รู้สึกเรียนชินแต่ไม่ชินเราเห็นไหมให้จิตเรีนชินบอกมันไม่ใหญ่ชินใหญ่ชิอย่างชินบางคนบอกให่ชิอยหญ่ชินใหญ่ชินก็ชินทำไม่ใหญ่ชินเลยเราเป็นกลวการใหินนั้นคุณต้อกคุณโคลคุณโคลคุณโคลความชินเป็นไหนชินหอฟองหน้อยยุบน่อยนี่บอกไม่ได้จินเหรอถาชินฟองหน่อยยุบน่อยจิตมันมีหน้าที่ชินไมห้ามเราเลย พวกเราตัวบอกแล้วใช่ไหม้จิตมนคิดได้ในคิดที่วลวพ่ออยู่พูดเราบอกว่าห้ามคิดเพื่อให้พวกเราเห็นว่าจิตมันคิดได้เองเด็ดเดี่ยวจริงก็ได้เห็นไมคิดได้เองก็อย่าไปห้ามนะซ้อมไปนี้เวลาที่จิตมันคิดให้มูทันมันงานปราลองง่ายีเดียวงานเรองจิตศิลขาเนี่ยจิตป็นคิดให้ทจิตป็นคิดให้รู้ทันซ้อนี้ไดยๆนะ ไปทำกันบ้างจฉินฮั่นทั้งแรกก็ให้กันบ้างคลัสมกับที่นี่เป็นมหาวิทยานละัยไหยแค่สายงานบางทีเลยทุกคนต้องฝึกถ้าอยากจะได้มผานนผลลัพานในชีวิตนี้ถ้าอยากไม่อยากก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ามีอีกหลายเท่ารอหลวงคุณพุทธท่านเป็นตรัสรูก็ได้นะแต่พอหลวงคุณพุดธเป็นรัสรูจริงนะกลวงร้รวยเนี่ยนะมันก็เหลีไหลอีกเพราะอะไรเ็รมันเคยเหลีออ่ยมไหลมันไม่ออมภานา แต่ถ้าที่ภาวนาตนชินี้แหละถ้าบุญบารมีมากพอแล้วก็บารุณมากผลใดศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้ไหลถ้าบารมียังไม่เต็มกไปบรลุศาสนาต่อๆไปแต่ถ้าไม่เริ่มทำเลยนะอีกทีพระพุทธเจ้ามนก็ไม่รรุหรอกเห็นพวกเราผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งมากมายนะนจงเลี้ยงด้วยได้บรรลุสังีเราะอะไรเขราไม่เป็นไหลตั้งแต่นี้ยงไรเราจะต้องมาฝึกเพื่อพัฒนาตัวเองให้คนจัดทุกข์ให้ได้ เรื่องอะไรเกิดเป็นมารมณทั้งจงีจะต้องจมอยู่ในความทุกร์สวัสดชัดดังนั้นต้องยกระดับใจให้ความทุกข์ไม่ได้ด้วยการเรียนรู้ ค, รใใความจริงของกายของใจก่อนจะเรียนรู้ได้ต้องรู้สึกตัวเป็นจะรู้สึกตัวเป็นต้องซอ้อมทำให้ซ้อมคนที่รู้สึกเข้าใจมันเคยชินที่ชิชนไปเรื่อยๆนั่นทั้งการรมฐานอย่างหนึ่งนะคนไหนถนัดอะไรก็เอาสิอย่างหนึ่งยกเป็นกรรมฐานที่กรรมฐานอารมณ์อะไรที่เป็นบาปอนะะไรอย่าไปทำ เล่นไพ่เล่นไพ่มีความสูงข น, นดเล่นกีราเราเป็นผู้อำวยการก็เป็นอารมณ์ที่เป็นผู้อำวยการอยากจะอยู่กับพู้ชาอยู่กั บ, กบลมหายใจอะไรก็เอาสัาอนหนึ่งแล้วอย่าโรเลยทำประดานเนี่ยต้องทำให้มันเด็กเดี่ยวทำเ ป, ป็นทุกวันสงองก็ทำทุกสร้นก็ทำไปเรื่อย เช่นเราอาหาพุโทโธเราพุโทโธเราทุกวันไปคิเข้าพุโทโธจะอาบน้ำพอพุโทโธนะจะทำอะไรตอะไรพุโทโธไปเรื่อยๆเยียแล้วใจเราหนีไคอยรู้ทานใจนีไปเราคอรู้ทันส่งนใหได้มากๆต่เลยตอไปเนพอใจมรีปุ๊บเราจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ส่น ท, ที่รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เพียงว่าสติที่แจริงเกิดขึ้นแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลไปไหลไปจิต ทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลไปจิตสติเป็นรู้ทันปั๊บเท่าสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลไปจิตจะตัต้งมั่นอัตโนมัตินะจำหลัตัวนี้ไว้เลยวิธีทําให้เกิดสมาธิไม่ใช่เป็นบังคับจิตไม่ให้คิดเรื่กลุ่มแต่เพราะจิตมีทำไมชร้าคิดเป็นองกลุ่มแต่แต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดเรื่องกลุ่มแต่ขนาดนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การเรียนอย่พ่อเามีแต่เรื่องัตโนมัติหมดเลยวิทยายุก็เรียกว่าสุดยอดเลยนะเราไม่ไปกระบวนข่าจริงๆเลยทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดสติก็ฝึกจนอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติต่อไปจะถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติถ้าปัญญาอัตโนมัติมันผลมันไม่ไกลแล้วถ้าสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญามันไม่เกิดหรอกถ่าเราทำประทานเช่อย่างหนึ่งนะเราจิตหนีต่เรารู้ไม่ห้ามหนีได้แต่หนีเรารู้ พุโทโธพุทโธไปจิตนี้ไปิต่รู้ายใจไปจิตนิตรู้นะเพเรารูนนะ้จันกนจิตนิดจาดู2รอบนะคนะินเข้าเนี่ยจินนตนแล้วมันไมเคยูนะมันก็เลยเกิดนอกบ้าวนโกรธบ้านอะต่ออะไรฟุ้งร้างวุ่วายความสุขไม่ได้แคนะ่จินตจ น, จจนี้ไจิใจ้นะิตามมาคือแบบนี้กตเรารู้ทันแะล้วกำลังที่ป จ, จะตื่น จิตรันาจะเข้าสู่ภาวะแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานจิตตัวนี้จะเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาคือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันและอยู่ในโลกของความเป็นจริงจิตใจจะมีความสุขจะมาเบิดบาน้วยอัตโนมัตินะและจิตที่สศร้หมองนี่เป็นจิตที่มีกิเลสถ้าเมื่อไดรเรามีสตริรู้ทันว่าจิตไหลไปแ่ใกิเลสมันไม่เกิดจิตมันจะเบิกบานโดยตัวมันเอง ไม่ต้องทำให้เบิกบ า, ม น, มกา น, นมันเบิกบานเองอ่านต่ำมากเลยเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าพวกเราอยากได้ของดีของวิเศษในชีวิตเองไปทำกรรมฐานสิย่งหนึง่งวันละสินาทีไม่ขอยยอะนะ15 น, นาทีพอจะสบายเขาพระเจ้าไดนะ้ไหมแข็งคิดว่าขอไหมยังอยู่สิไม่ประคับนะ จะมีทันทังต่อกัน้นะอย่าตลบตะแดงนะไปย่อมูนโชว์นะพาไหวนะก็ื่ไไม่ไหวส5บห้านาทีก็ไม่ไหวยกมูเสียดีไมไม่ต้องเกรงใจนะเราซู่อสัตว์ตัวเองผมได้ห้านาทีเองก็หลงเป็นดีมากเกินเสียใจเลยนยังเป็นดีไม่หายนะรีบดูดีดูทำกันสิบ้านาทีก็ไม่ไหวส5บหนาทีทาอะไรบ้าง เวลาสวดมนต์สองสารนาทีไ่องสวนยามากเว้าสวดมนต์สองสารานาทีเวลาที่เหลือทำตรนักสั้หนึ่งและประบุริหารจิตทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์สั้นๆสักห น, นึ่งเช่นนะมณฑสสารภาวะตัวอรหันตตัวสมัมมาสัมพุทธัสสะสวดเปที่นี่และวปฏิุหิหารด้ท่านไหนดูท่าจิตละมณฑสสาะห้ีไปเลย ยังไม่ทันครับระตโตเลยนี่เป่นัปรนะมาณพวัตวรโต้วอะเอางไม่ทันโตเล ย, เล ย, ยนี่และสมุทตาเป็นอานี้รู้ไปเรื่อยๆต่อไปน ะ, นะดีติดตัดวติเราอเห็นเลยตอนที่มันจะดิดกุ๊บเห็นปักเมื่อสติกัตมตเกิดนะแล้วแล้วใจมันจะตั้งมันมีสมาธิตัต์ขึ้นลยในขณะนั้นเลยต้องทํางาึกเ้าเพื่อจะได้ผลดีของพิเศษอย่าคิดว่าภาวนาทาไม่ได้ เลาฝึกจได้จิตที่เด็นผู้ดูเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวว่าเป็นเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในลวูสิงห์นะหลู่สิงหนะ์งเป็นพระที่จิตไวมากเลยใครคิดอะไรเนี่ยท่านได้ยินครูบาอาจารย์ท่านได้ยินาานะ ไ, ไหลโงแต่ท่านได้ไปพูดกับหลงปู่สิงห์เนี่ยท่านเปิดโปงเปิดโงเราเไปถามเพื่อนนะถึงแต่งสาปท่านไปทํามเราเราใคร่จะเดนไปั่งเจ่เพื่อนเนี่ย เป็นหมอเป็นโรงพาลเรากีคิดเลยคือเรู่เทพดีจังเสียดายรูปรเราไปเรียนอยู่อเมริกาแต่ไม่ได้มาง ต, ตังเท่นู่งู่ยุ่งตึกเลยคันไปดูเลยนะครับอะไรฟังเท่นี่ทํานาับหรอคิดถึงรูปอเมริกาเดี๋ยวไหนแกนชอบเลยแกจะนั่งขำ เ, เพียบเกย ร, ค, รคูณสิ่งเรืนจิตไหวมากเราคูณสิ่งเนี่ยช่างเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านม่จะชื่อ่อเจียลวอจะเรียกวพ่อาผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวทาไมย่อมยอมยอมมาเป็นผู้รู้สึกตัวเราคนในโลกมันมรู้สึกตัวคนในโลนกใจลอยทั้งวันรู้จักใจลอยใช่ไหมเพวกเราก็ใจลอยจริงทุกคนเลยขนาดสังเทศ น, น์บางคนบางคนยไปที่ชื่อนั้นมีไปมีมา ต้องฝึกเราวาก็ทำได้ไม่ใช่พระทำใจคนเดียวเรามาดก็ทำาใจทำกรรมานเช่อย่างเดินแล้วรู้ทันจิตที่เีงรู้บ่อยๆทำไปจิตไหลุกรู้ปั๊มจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้กบานอัตโมัติมื่จิตเป็นผู้รู้ผูื่นผู้กบานขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรตอนเราไม่จัเป็นกายที่กาเป็นเป็นใจที่ใจเป็นตอนแรกสุขให้จิตใจอยู่ในเรื่องตัว ต่อมาถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยก็คือเป็นกายอย่างที่กายเป็นเป็นใจอย่างที่ใจเป็นร่างกายของเราเป็นอะไรร่างกายของเราเป็นผู้พิเนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวแรงกว่าซึ่งไปเรื่อยเรื่อยเผู้พิร่างกายของเราเป็นอะไรอีกต่งกายเรามี็นแต่ความฟุ้งหายใจออกก็ทุ้งหายใจเข้าก็ฟุ้งถ้าเราหายใจออกอย่าหายใจเข้านัะหรือว่าทุ้งไหมหายใจออก เราสัก5้านาทีโนพอแท้งใจเลยไม้เย็นเลหายใจเข้าซีุกไหมหาใจเข้าไปทุกไหมถ้ายังไม่ทุกาใจเข้าไปเรื่อยๆเหลือบไปเรื่อยๆเลยเพราะความทุกข์มันปี่ผ่านไหลมาเราหายใจเข้าแล้วก็ทุกแล้วก็แก้ทุกด้วยการาใจออกหเยืจออกแล้วก็ทุกนแล้วแก้ทุกด้วยกาหใจเข้าทำไมเราต้องเปี่อีบต้องเข้าเนทุก มันวทำไมต้องเปลี่ยนนั่งมาไปเดินไปนอนไปต่อดต้องฝึก ร, ร่างกายให้จิตจิตแล้วต้างอยรู้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันฟุ้บตลอดเวลาจิตใจนี่ก็เป็นควาไป็นทุกข์ความวิตชีนชัดเจนไหมจิตใจกำลังเปลี่ยนแปลงตลอดมันนั่งอยู่บนฟา้าันฟ้าเท่ น, นี่วบวงไปกี่รอบกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมล้วมกไปกี่ครั้งแล้วสละการเหมือนใจ แนใจเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวกงงเดี๋ยสบายใจเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็ยังงดเดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวก็สูบเดี๋ยวก็ทุเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกรอดเดี๋ยวก็โกรเดี๋ยวก็หนุนนี่แหละให้เราไปยูทันไปเวลาจิตใจเราอยู่กั่เลือกแต่ตัวระนาดความจิตใจเราเปลี่ยนแปลงมีความสุขหรือไม่ขำขึ้นมานะเราเมความขำมันฝุ่นขึ้นมาจากลบเลาเวลาโกรธขึ้นมาเสังนะดยวก็ฝุขึ้นมาจากบเลาเหมือนกัน ขึ้นหน่อยถ้าปวดมากขึ้นไปจนไหนขึ้นหัวเลียก่าขึ้นหน้าเลยใช่ไหมถ้าปวบนี้หน่อยนิดนยเวลาราคาเกิดถาเกิดขึ้งจะกล่ามขึ้นมาจหน้าเหมือนกันนะขึ้นบางกลุ่มัวอะไรหน้าตาของพวกบ้านกาอพวกเราเหนไหมบาคนบบบ้ากาบเป่สองประจุเลยก็จะเห็นเมื่อหน้าตาเป็นบ้ากาบเป่ง น, นี้ไปดูหน่ เนื่องจากใครดูไปเล่นนะเราจะเห็นว่าจิตใจนี่เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวตู๋เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันวนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เล่นสิเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแต่สูงเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนของมันเองมันเปลี่ยนตลอดเวลาตรงที่เห็นว่าเปลี่ยนได้เองเรี่กว่าเห็นอนัตตามันเปลี่ยนเองไม่ใช่ตัวเราท่านไปดูอยู่ที่าจที่ใจนี่เลยให้นอยมาก ถนัดดูกายก็ดูกายไปถนัดดูใจก็ดูใจไปถนัดดูกายก็เห็นมันไม่เทียงมันเป็นฟู้งโดยเฉพาะตัวทุกเรียนดูง่ายหใจหนวกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยู่เดินนั่งนอนก็ทุกข์พวกเราที่มานั่งในห้องเรียอ่านสิที่ใครเก่าเป็นแหนบยกเลยสิหลวงพอเห็นเทรียงเลยนะแต่ไม่รู้ม เก่าระมาณเด็กเยกับรุ่ายอยู่ไม่ได้เก่าเลยค่ะ่เนี่นั่หนห่เราไม่ได้สนใจตัวเองเราดูทไมเราต้องเก่าเพราะเป็นทุกข์หือลาไหมทไมเราต้องเปลี่ยนอยูย า, าวๆตาองทนทุกทําไมต้องเปลี่ยนากานหายใจต้องทำทุกที่จริงก็เป็นถูกกลเวลา ให้เราไปรู้อยู่ในรน้ำตาลนะพอเรามีจิตใจอยู่เระดับตัวแล้วมาดูกายเราไม่เห็นไายนี่เป็นไปด้วยความสุขมาดูจิตใจก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้เวลาจะตรวจตั้งใจไม่กดมันก็ตรวจอันนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เวลาต่วจแล้วสั่งให้หายตัวจเร็วๆมันไม่หายสั่งไม่ได้เรียกคื็อนัตตาไม่อาจะไม่เถือเดี๋ยวก็เถื่อว่าอะไสั่งได้ได้ คนที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลให้เรามาดูกายให้เรามาดูใจนะในมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ในความไม่เชื่อก็ได้ในความเป็นรูป ก, ก็ได้ในความเป็นอนันตตาก็ได้แล้วแตเริ่มก้องเนี่ยจะดู ก, กายก่อนก็ได้สะดูใจก่อนก็ได้แล้วแต่ความสนัครของแต่ละคนพอจิตใจอยู่รละลึกระดับตัวแล้วบางคนเนี่ยทำสมาธิมมาก พอจิตใจอยู่ในระตัวเราแล้นะถ้าให้ดูจริงจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจิตจะว่งวางๆพนี้ให้ดูกายลยเปเรื่การยารู้ศสนานะเหมาับพวกสมาธิอยา่างนี้คือพวกทีเล่สมิเกิดจิตตารู้ศสนานะเหมอะกับพวกมีศัสนาอย่างนี้คือเจริญกัจายาไปเลยไม่ต้องเปทำสมาธิก่อนเราไม่ไ ด, ด้เห็นว่าจิตเดยก็สุขเวทุกเดีเดียเด๋ยรา ย, วยวพวกเราคนไหนนั่งสมาธิเก่งเดีม๋มวเสี้ย นั่งสมาธิเก่งๆมีไหมยกมือไปต้องขอชมหน่อยคนไหนนั่งสมาธิไม่ได้เลยไม่เคยสงบเลยยกมือซีดูเยอะนะอพวกที่เหลือพวกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะเป็นบบไหนมนตัวยังไม่ออกอถ้าเราติดเป็นพวกนั่งสมาธิไม่เก่งๆนะออกจากสมาธิมานะรู้สึกร้างกายลยอยากเป็นจิตนะจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่าง อำนาจข้าสมาธิจะทาให้จิตว่างๆไปแต่ถ้าเราเข้าสมาธิอื้ออไม่เป็น่ยนุจิตไปเลยจิตเดียวก็สุขจิตเดียวก็ทุกขิเดียวก็ดียวมันร้าตามองเห็นความรู้สึกเราตเปลี่ยนูได้ยินเสียงความรู้สึกเราต้องเปนหมุนได้กลีดลิ้นได้รอนใจเราต้องสัมผัสใจคิดนึ่งความรู้สึกตกองเปี่ยนเราดูไปได้เราต้องจะดูกายก่อนก็ได้ถ้านัดดูกาย็ีสมาธิแล้ก็ออกมาดูกาย ถ้าเป็นความคิดมากก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทูกคิดเรื่องนี้โอภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงแน่นรู้ทันความรู้สึกตัวเองจะเป็นเรื่องที่คิดนะเรื่องที่คิดไม่สาคัญสําคัญที่ความรู้สึกที่ตามมาเราไม่ได้เห็นในความรู้สึกทุกชนิดเลยเกิดแล้ก็ดันไปดันไปก็อย่างนี้แหละคือวันหนึจิตจะเป็นปัญญาพวกยออมันจะรู้ความจริงว่าใจนี้ก็ไม่ใช่เรา รูปกายอย่างเดียวเห็นกายเกิดดับนะทำไมาเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราด้วยด้วยก็จิตนั่นแหละติดตัวอยู่ร่างกายนะก็เราเราเราเยักหน้าช้าๆนะเราพยายามหน้าซิรู้สึกในร่างกายเลาพยยักหน้าเช่อจิตเป็นคนรู้สึกนะร่างกายเชื่องไหวจิตเป็นคนรู้สึกเรายกมือซิรู้สึกในร่างกายยกมือใครรู้สึกใใจิตเป็นคนรู้สึกแล้ใจกับจิตนั้นไกันเชื่องไหวจิตเป็นคนรู้สึก สรางทนายตัวกายต้องใช้วิธีในร่างกาเครื่อนไหวจิตเป็นคนดูสร้างนายตัจิตต้องเปิใช้ตาใช้หูใช้สมุขใช้วิธได้การใช้ใจเทําานเป็นตาชมเป็ชาติมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจกดจิตไม่ห้ามมันนะแต่พอตาหูหูฟังใจคิด้เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดช่วยรู้จะเห็นในสุขทุกข์ด <c oughs> <uelle Snapchat> ีช่วงเกิดแล้วดับไปคือใช้ปัญญาเมเกิดแล้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธมดาจ่รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะ ดูจิตเป็นไม่ใช่ดูเป็นแต่จิตนะยังเป็นกายอัตโนมัติอย่งพวกที่ดูจิตเด็นหัวข้อเนี่ยังไม่แต่ตอนตื่นนอนหลับอยู่เนี่ยคลิกซ้ายคิกขวาลู้หมดเลยนะร่างกายหลับบนครอบเนี่ยจิตจะเป็นคนรู้หมดเลยเพราะฉะั้นไม่ใช่ว่าดูจิตเราไม่เป็นกายนะคือจิตก็เป็นกายดูกายก็เป็นจตบบนนติตดูจิตเป็นคนดูกายมันจะเลไปเลื่อนไปเหกือนกันท่านทำได้นะต่อไปแสดนความจริงไซนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เร ส้นจิตยอรับตรงนี้ได้ได้พอสมควรครับท่าท่านจากนั้นก็ถึงตอนที่เราก็จะเห็นร่างกายนี่เป็นทุกข์เรื้วนอจิตนี่เป็นทุกข์เรื้อรื้อพวกเราเป็นยังไม่เห็นร่างกายเป็นทุกข์เริ้อนื้เราเห็นว่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างใช่หถ้าเห็นอย lonely, ่างนี alarms. ้ยังปล่อยวางกายไม่ได้กมยังมีทางเลือกเดียวที่ใช้กายหาความสุขลแต่ถ้าเม่อไรปัญญาแก่รอบเองว่ากายนี่เป็นทุกข์ร้วนถ้าเห็นอย่างนี้มันจะไม่ยึดถกายหรอกถ้าเมื่อไรปัญญาดูที่สุดเลยนั้น แสรอบสุดที่สุดเลยใช่ไหมครับจิตนี้เป็นตุ้มือเงิถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่ยุดสุดจิตเด็วพวกเราตนนีเราจะรู้สึกได้จิตนี้เป็นตุ้มบ้างเนสุบ้างนี่ไหมกายาก็ตุ้มบ้างสุบ้างไม่มีตัว เ, เลืองเราเลก็เลยดิ้นนอยางได้ความสุดดินน้นรนดีความสูงใจเกิดการดิ้นรนขึ้นมาเกิดการตูดแตกขึ้นมาความดิน้นรนใใจไม่มวกว่าภพอสมภพขอผายจังตกจังชาดชาคือบา ได้มาชุตาดูชกวยยิ้ใจใจ้ปยิดไปแฉลวมามัาเป็นตัวเร า, าเอของเราเพราะก็คือความยิ้มหล่นการทำงานของจิ ต, ต, นนจตใจนี่แหละมันดิ้ไปเพราะมน่รูปของจิ ง, งถ้าอนานไรู้ความจริงจนแจ้หรือว่าการนี้ก็ทุกจิตนี้ก็ทุกข์นะหมดความจิ้มหล่นใช่ไหมเกิดจยิ้มหล่อีกเลยแล้วจิต จ, จะควรจะุมแต่สิ่งหนงิตกอะไรฟังอยู่ ก, ก็ฟัไปฟังแล้ว่าคอยรู้ ว, นน ว, วันนี่เรา้จากความคู่แต่งวันนี้ไใหขนานี้นนนนก็อแล้วนะยาวว่านี้พวกเราก็จะเหนือยถ้่อย่างนสนใจนะผมก็แ น, นะนานะใส่ตังซีดีต่อหรือตังดูทุกเก็ได้นะมีเยอะแยะเลยมีเยแยะเลยถ้าไปตั ง, งักเนี่ยไม่นานเพอะเข้าใจคนที่เีย น, น, น, น, กกนัารจดบ้อเดือน2องเดืนนาเพื่องหลังๆนะ พวกทีเรียนรุ่แรกเนี่ยมันเรีนเรียนยากพวกที่เฉยติสมาธิมาก่อนเข้าวัดเจอสัตว์ที่เข้ามาหาพวกที่มาี่หลันส่วนมากพวกไม่เคยเาวัดพวกเนี้ยเรียนธรรมฐานากพวเข้าวันมาก่อนเนี่ยติสมาธิทั้งนันเรียนธรรมายากี่ือทวันมีหลายดีลกมัื พวกเจงเสียพวกึงมาทีุก่นก็โอ๊ยต้อนัแจ้งเวลาใช้เวลาพวกที่มาเดียวทีหลัใช้เวลาซั่นต้องเป็นพวกทีก่ไม่ไปเขาวาดมันตถึงมาช้าพวกีก่ทำเดี๋ย ง, งา่ายอ่ใครจะส่งรือนบ้า กรรมมาสัการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะทราบว่าให้เราเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้ายังไงนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้ที่บ้าเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองว่าเหมือนเราเนี่ยบางทีรู้สึกว่าตัวเองมีสติแต่ไม่ใช่สติที่แท้จริงอย่างนี้ค่ะเดินทำไงเหมือนเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น ส, สติที่แท้จริงหรือเปล่าใช่จริงเหรอใช่สติจริง จะเป็นอีกแบบค่ใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่คุณประปานี้น า, นานะถ้าใจเราอยากเชื่อเชื่อถึงก็ใช้สติเจริญสิเชื่อไหเชื่อค่ะแล้เชื่อไม่ใช่ของจริงรู้เรื่องว่าเชียอรู้ค่ะอยากหาไหมนะอยากรู้อยางค่ะดูรู้ไปที่อยางความอยากดับความเชื่อน้ก็ดับนะไปแล้วไได้ยากอะไรแล้วคนบ้างสึกไม่ได้ สคนดียังตื่ไม่ค่อยจะได้แต่เคยฝีบ้านสีแต่เรียนกัหลวงพ่อตามสถิตินะยังไม่มีใครเรียนนอบ้านนะมีแต่คนบ้านมาเรียนแลหาจิตแพท้ต้องตรวกรักษาแลให้จินยาไปด้วยไม่หายส่วนจิตแพท้์ไต่จนเป็นโรคจิตแล้วสุดท้ายเลแจกซีดีหลวงพ่อไปให้ฝังทุ่หายนะแต่โรคจิตนั้นมีนหลายแบบ ถ้าเป็นทางตา ย, ยไม่หายถ้าเป็นเ่าใจเชี่เชียน์อะไรแล้วภานาบุญจะหาแต่ถ้าเป็นทางร่างกายต้องไปหางหมอนต้องไปกินยาสมองยังติดปกติไม่หายเราภว น, นาไรก็ไม่หายมีกับลาวนีเป็นขนมพ่อพอดีสามีะคะ่ะเอ่อเป็นคุณหมอมอยู่ประจำโรูพยาบาลจังหวสุราษ์นะคะ<ม>วันนี้มาจากสุราษ์ ม, มาฟังขนมพ่อโดยเฉพาะเลยะคะ่ะ ฝากหลงพ่อเมตตาหี่อยหนึ่งคพี่พี่น้อง้อไหนไหนหาพี่พี่น้องนอลูกเราสักคนสิเราพี่น้่เาเราอกูเบไหวเราไ่ไหใช่ได้หรือเรใครเซ็งแต่้เราถึงถามไหมหรือมันรู้ตัวแต่ว่ามันกระจายปั้งๆลูกๆว่างๆอไปนะถ้าใจเรารู้ว่าออกไปเราไปย้อนกลับมารู้สึกในรัางกายวุ่นวายไมใจ่ที่เราเข้าบ้าน จะต่อไพันาก็ตองนำต่ อ, ตอใช่ไหมอีนี้เดียวค่ะหลวพ่อว่าทีปีหน้านี่ค่ะจะเปิดโรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะแล้วที่ตั้งใจคืออยากขอกำลังใจแล้วก็ขอพรจากหลวงพ่อคืออยากทำให้องค์กรในองค์กรนะคะ รักษาสี่ห้าทุกคนนะคะขอกำลังใจจากหลงพอขอผ่อนไปนด้หรอขอให้รักษาสี่ห้าเนี่ยก็เปไปขอให้คนโุ่นนี้ให้รักษาหลวงล้ยังไงไม่มีเงินผลเลยขอกาลังใจถาให้ทำาังไงสาเร็จนะคะที่ทำสินงตั้งใจเข้ามาถ้าทำแล้วที่เขียนไม่สาเร็จเรา ก็มีเหตุผลนะทำพุดธนี่ยไม่ใช่ขอแไม่มีเหตุผลไม่ได้นะเคยมีในอาหารนหนงนั้นเป็นพอกพิเศษหลายปีไม่ได้ในเนี่ยคนละเด็วันหนึ่งเขามีพิธีทุกทางพิเศษรู้สึกแต่วันสุท้ายที่จะัดไม่ได้ลงอยู่เชียงมาลงฝูงมาจัดโครงการเป็นตา้เกศจีรลกโบราณนั่น ขอท่านตับ พ, พิจิตรุษพิเศษเสร็จนายทหารนี้ก็าปิกาดกราบหงูครับผมขอพรให้ผมได้เป็นนายกอพวงปูบอกงงถึงไม่ได้เป็นอยากเป็นนนี่ก็เป็นขอนายน่มสิขอตาน ะ, นะอยากให้พพวกสือสิ ท, ท่ี่ขอให้ลงสือเลยขอให้ต้องให้ขอให้ลง กลบกลับเขาก็ขึ้นง่าห้ามกลับไปการรราการหลวงพ่อการหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความพอใจไความใจก็เห็นกแล้วก็รู้สึกว่าคือเรื่องความคิดอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนมายาธาเป็ของปลอมไม่ค่อยอะไรเลยให้ราู้ัเวลาใจเรายินในสาชิดในการผูดแค่้ันใจอยางยินเริง ให้รู้ทันรู้ทันใจว่จะตื่นทีน่ตื่นแทจริงนั้นหรือ อ, อยออกมาเปลี่ยนใจไม่ใช่เราเปลี่ยนใจกำานินได้ไมีิก็คิดว่าแบบใจลอยอีกแล้งก็ดีใจน่ได้เติมเพราะก็ใจมันก็เลยนอยไม่ลอยต้องใหมันเป็นกลางด้วยมนไม่ได้เป็นบังคับนะ <c oughs> มันรอยล้วรูมันประกอบลอยเรารูอย่าเป็นบังคับว่าห้ามอยนะ ไม่ไม่ได้ห้ามอะไคือเห็นความเห็นมันลอยแล้วมันก็ตลาแล้วก็กลับมาเป็นการเราดูในอย่างนั้นก็บงกนะังจะพออะไรเกิดขึ้นก็ลงถูกความเป็นการเห็นมันกลับมาเป็นกางแค่นั้นเองไม่ได้บังคับก็เรามางข้อหนึ่งน ะ, ะเรื่องเวลาเราคุยเวลาคุยได้จะ เ, เน ห, นห็นได้ พระพุเจ้าถสอนมันน้อสันโดษไห้ทุกที่ราต้องความเพียรไปดูเาราเองคนรู้สึกว่าหลนง่อคนข้าของงานนี้นะหนูก็คิดว่า อ, อาจจะถึงเวลาที่ยร่ไปปฏิบัติงานจริงจังใช่ไหมไโโะหนูก็ปฏิบัติจริงจังอยู่บ้านก็ได้นะ<ช>ปฏิบัติ อ, อยู่ที่บ้านดีที่สุดต้องอยที่ไหนก็เก่ผู้จิงเราต้องให้แนะนำให้ว่าไใ้แต่ไเอัตรายเราเกิดมาก็มีอันตรายอยู่ในตัว จะผู้ชายเดี๋ยวนี <Si yeah, Ma, <S <S fact, ้ก oh, ็ต้ปลอดภัยนะผู้ชายเียผู้หญิงเริ่เห็นผู้ชายมัอนดอกไม้ริมางเฉยแล้วก็ทิ้งศนสาสารดีไหก็มีผู้หญิงรำศูสารัจิงเข้าไปรนสารงูลโลงพ่อ่ะอย่ให้ใจอยผู้หนี้ระดับตัวหน่อยๆนะมาสกายหลงพ่อครับ ผมมีโอกาสได้ฟังซีดของหลวงพ่อในขณะที่ขับไปทางานครับอยู่ครั้งนึ่โดนาหน้ากแล้วก็รู้สึกได้มาถ้าต่างหรู้สึกว่าตัวเองน่งยังีไปไม่ตอบสนองนี่นค่ดูนะนี่มีสองนนีหนึ่งก็สติปัญญานี่นี่ก็สมาธิสติผสสมีธิในใจเนยๆเฉยอยู่เดยมันเิดปัญญาต่อนะ แต่ท่านนิ่งเพปัญญาเนี่ยอย่างเป็นเด็นีสุดก็ช่วตาทุ้มกชั่วตาดีก็ชว่วตาช่วแลวช่วตาเหนบ่อยๆมันไม่ดีๆตายมันนิ่งน่แต่ไม่นิ่งคืนๆนิ่งเราเป็นผู้รู้ผู้อือ s. <S so ่นผู้เป็นบานนะใจยังต่องแฝงกบเปิดบานแต่ท่านนี่งๆเนี่ยเดยมันนิ่งได้สแต่ที่ต้องแจ้งพยมนี้แบบไหนหน้าตาหน้าิ่งแบบคืนๆก็โอเคใได้ใชได้ ทำไมนิ้นคื อ, อเกิดจากอะไรเกิดจากอยากดีพนะยายามจะรู้สึกตัวมากไปหรือสักพนะัจิตที่ดีที่สุดคือจิตของธรรมดามยัางเด็กๆนะ้มีจิตธรรมดาเดี๋ยววัร์รัเดี๋ยวรับง่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุ์แต่เด็กไม่มีสติพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมมีสติแต่เราไม่มีจิตธรรมดาดันะนนางนั้นจิตมันเลอนอย่าไหมเหหมลืนขึ้ ร เ, เราไปรู้ถกายมันเคื่อนัราดูไม่ว่าอะไรไม่ใช่ประพอไม่ใช่รักษาใ่มันจะไม่เหมือนกันถ้าเราประพอใจจะเนืกองเนื่อแน่นๆนะแต่ถ้ามันเคืยเรารู้รสึกนจะโงมันจะเบาท้องแก้วอย่าไปรักษาขอบคุณครับการรักษาของพ่อจ้ะคะเคยไปที่สวนสันติธรรมนะคะแล้วก็ได้กันบ้านมาหลวงพ่อให<ต>้ปดูความรู้มูก่นอ น, นะ น, น ไ Harr ม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกค่ะเออหลวงพ่อถามนั่นหลวงพ่อไม่ได้บอกก็เลยอยากทราบว่าควรจะทายังไงต่อที่จะดีกว่านี้ค่ะเราเปลงแยนไปในทางที่ดีขึ้นหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาามีค่ะไดูความกงวลอย่าดูไปเรื่อยๆจงไปเดื่อๆใจเป็นผรู้ผู้นให้มาเห็นไมว่าโลกมันแยกออกไปได รู้สึกในโลกนันหายไปโดยที่เราไม่ได้เก่งมันไม่ได้ปราบเลยบางคนถ้ า, <ะ>าติดสมาธินั้นจะน ใ, นใครตัดโลกออกไปจะดึงใจมาแล้วก็ตัดโลกไปจะทื่อๆึ้บนี้ใจยังไม่ถูก<ะ>แต่ถ้าถูกใจจะสบายมากใจปลอดโปร่งโลกเบาแนละ้วโลกก็อยู่ส่วนโลกใจที่อยู่ส่วนใจไม่ต้องกลับกันจะรู้สึกใจมันคือเหมือนกับว่าอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มัมนยังเหมือน มันบอกไม่ถูกอะหนูพ่อบอกไม่ถูกไม่ตรงกับเห็นไหาเราไม่เข้าไปับอารมณ์มันเกได้เเห็นไมเนลาจับอารมณ์ก็จับได้เอเ็นลวาเขาวาดได้ค่ะแต่รู้สว่ตัวเราจะเฉยเฉต่อสิ่งอะไรเปลี่ยนไปมากเลยมัเฉยเพราะปัญญาพอเป็ปัญญาแล้วูกนี่เห็นได้่าครื่องดงนานติดอยู่นะูรู้ไม่ติดข้อไมล่อยไางนี้นะ เราก็จะกระซอกนี่แหละแต่ไม่ติดไม่ทำต่อไปให้รู้สึกวชวด้ว ย, ย่ออย่าเระไราวนมิสการหลวงพ่อนะคะ <c oughs> มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อใกล้หวง่ า, านะหลวงพ่อมาจาชลบุราีาค่ะ สมกันมาหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อสามเดือนก่อนหงพ่อบอกว่าให้ลูกไปดูตัวโทราสารค่ะก็กลับไปก็เห็นค่ะก็เห็นเห็นจีเลยมากกว่าเดิมนะคะเห็นทั้งตัวโลภะโทราสารแล้วก็โลภะนะคะก็บางวันก็เห็นตัวโลภะทั้งวันหยิบหยักโนนหยักนี่หยักนั่นแล้วก็บางวันก็เห็นจิต หลงไ่คิดบ้างเพ่งบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็เห็นเพ่งทั้งวันเลยเติมพ่งทั้งวันเลยบางวันก็เห็นเถื่บ้างรู้บ้างนะคะเติมเถ้วแต่บางวันดีแต่บางวันอีกก็ไม่โหวอะไรไม่รู้ทั้งวันเลยเติติเห็นครับมันไม่คงที่ค่ะห็นไม่เราสังเกตได้คเราภาวนาจนใจยามรับความจริงนะตัวอย่างไม่เที่ยงตัวอย่างบางคำไม่ได้ไม่ใช่ภาวของดีเอาสุมสบอกค่ะปฏิไม่เที่ยงสุไม่เที่ยงสุบกไม่เที่ยง แต่ความจริงมัเชื่อไหมวงพ่อคะหนูหนูตื่นแล้วหรือยังคะตื่นได้มันตหลับได้นะหลับหลับตื่นตื่นแล้วแลวยังติดแค่งอยู่ไหมเวลามันแน่นเกินมาท่าไห่เหมือนทำแน่นเท่าไหร่ แล้วเราก็ขอส่งสภาวะทำ um ka ka. สองสภาวะนะคะก็สภาวะแรกนะคะวันนั้นกำลังแต่งหน้าแต่งตัวกำลังจะไปทำงานเนาะจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่เราอยังค่ะอันนั้นยังไม่ถึงก็ก็กำลังมีผงอยู่นะเจอคางของพ่อเห็นผมคางเป็นเส้นก็ค่ะจิตกั้นแว้บขึ้นมาหนูก็สงสัยว่า สภาวะที่เกิดขึ้นเธออะไรสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไป substrate. แล้วค่ะเราก็อยากรู้อีกก็ <alrededor revenir> อยากรู้ไปเจ้าค่ะแล้วก็จิตมันเป็นทุกข์มากเลยก็ดูไปแล้วไม่ชอบไม่ชอบเราเป็นโปรแกนแต่ถ้าโดเส้นที่5้าอะไรนั้นจะเฉยเลยเส้นแรกที่ปที่สุด ก็สงสัยครับเพราะว่าสภาวะนี้ก็คล้ายๆกับสภาวะที่เคยไปส่งหลวงพ่อที่วมีที่หนูเห็นตัวโทนอาห์แล้วก็จิตมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมานค่ะก็สภาวะที่สองนั่นก็ค่ะก็เห็นไปๆครับไปเป็นเทื่อนเปนกลางตอนนี้มันยังบันปลยอยู่ค่ะสภาวะที่สองนะเจ้าคะก็กําลังแรงฟันอยู่ในห้อง น, นะะ้ำค่ะเห็นตัวเองกําลังแปลงฟันแล้วก็โกรธขึ้นมา กลัวกลัวจนไม่อยากจะมองหน้าตัวเองค่ะให้รู้ทันใจคิ่กัวค่ะแบบกลัวดับก็จะเห็นได้ตัวที่แตกต่างอยู่ไม่ใช่ตัวเราก็คลวหนูกลัวหนูก็ไม่ดูแล้วก็ก็ไม่ม่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเห็นอีกเดี๋ยวจะตั้งใจดูให้ได้หลังจากนั้นประมาณสองสวันก็เห็นค่ะเห็นก็ดูว่ากลัวก็ ก็ก็ดูแล้วความกลัวก็หายไปใช่หายไปก็เฉยๆนะไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหลังจากนั้นก็อยากดูดีก็ไม่เห็นเลยเจค่ะ้อยน่นถ้าอยากจะไม่เห็นนะค่ะข อ, อกัรบ้านหลงพ่อค่ะเปทำจอบไชหัวเรบบาดรคับกราบพระบุคลรสการค่ะ อ่ไอาไม่าบว่าที่ทาอยู่นี้ต้องแก้ไขตับตุ่ตรงไหนบ้างคะแงก็ถ่ายทอดสดนะนี่น <c oughs> ทอะไรละ่ะต้องล่านิดหน่อยแต่ว่าที่ปฏิบัติค่ะสัร ต, ตรงไหนบ้างคะตอนนี้เท่งอยู่หรือเปล่าก็ประคองค่ะลงประคองเทศมันเดียวปะหนักให้รู้ว่าประคองจะไปปล่อยให้มันทางานสเกิดน้งงงไไนงาหายใจเองก็แล้วกันล่ไว้ใช่หมหล อ, อใได้ ถคาอย่างนี้ขันมันเริมแยกกันถ้าขันแยกแล้วันขนาดถึงไม่ยากนะต่อไ ป, ไปเราก็เห็บกายมันทำงานไปไม่ใช่เราเปียนใจมันทำงานไปไม่ใช่เราสุดแล้วลเราต้องกรับปรุงที่วยาจะอย่ามันอย่าไปเพ่งใช่ไหคะถ้าเป็นให้สุดขันเพ่งก็มันอยากรู้ชัดๆอยากจะดีหรืเพ่งจะรู้เล่นๆแต่ก็ไม่เพ่งหรอกแล้วมีปัญหา อ, อย่างหนึ่งที่ไม่สราบจะแก้ยังไงคือกนเมืกลับรู้สึกว่า ุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นต้างโดยกดันไปทุกเรื่องเลยคือรู้สึกว่ามันพอรู้สึกว่ามันอ้างวางแล้วก็แบบนั่นและนแหละโทรสารโทสารทําอยางทําม่อย่างไรมันมีระยะมัองใสตลอ ด, ด้เราไมได้ฝึกเรื่องอาผองใสนะเร้ฝึกใหเห็นว่าทุกอย่างไม่เทียงทุกอย่างมาําไม่ได้เวลาใจมันช่างวางมั น, นดูมไปตรงๆมันดูทางมันก็จะดับให้ดู มันก็จะเกิดระดับไม่ว่าสภาวะอะไรนะก็เกิดดับตั้งซื่อคมันเป็นนานเลยทรมานมากนะค่ะก็ใจดำไม่เป็นกลางใจดำเกลียดนี่ยวิธีแก้เอคือให้รู้ใช่ทันะไปรู้ทันว่าอรมณ์ตอนนี้มันวังเวงอย่างเนี้ยนเศร้าะรู้ทันซะไปเนี้ยเป็นระดับไม่ใช่ดูเพื่อให้ดับนะมันดับออกมาเองบอกแว่าว่านี้มันยึดอะไรไม่ได้สักอย่างหนก็เลยอ้างว้งความรู้สึกอ้างว้งมัอบู่รอบๆใจดำ ให้ดูให้โนจะดับเป็นครอแจงไม่ได้ตอนนี้ถูกความอ้างวางครอบนำแล้ามันจะผ่านเองไหมคะผ่านไม่ได้หรอกต้องรู้อาไม่ผ่านเองอย <c oughs> ู่ๆผ่านเองไม่มีหต น, นะก็รูว้ว่าทุกทางในจิตถูกครอบงำหรือสรุปทางหรือรอมาสการกระโดดอครับเข้ากัน้านมาถวายครับดีจิตว่างจะความปลี่กนได้ดีขึ้นครับ จิตไม่ไม่เป็นว่างนะําว่าจิตว่าจิตว่างเป็นแค่สมุนามรากี่ยวกับความรู้สึกว่างๆก็คือความดุแต่งเลยนะครับแต่ว่างอ่านเรียนชาที่สงคัญครับในจิตยัไม่เป็นว่างเป็นความดุจแต่งยเป็นจิตบ้างครับเรียกว่าใจ่ราว่างๆหรือว่าว่างๆเศราทิ้ตนหรือว่าทิ้งนครับว่างส่วนนี้เป็นว่างที่ผู้ฝึกุ่น ครับบางการวุ่นวายในผู้ปฏิบัตินะครับส่วนบางที่เป็นมหาสุนตานี่วางตัวตรงนั้นทั้งสองตัวนี้ไม่ได้เจอเครับเคยเ <ๆ S 1> คยภาวนาอยู่แล้วก็จิตมันรวมไปนะครับถือเป็นตัวรู้ตัวเราแล้วก็ตัวจิตแยกออกไปเท่านั้นเองใช่ไใช่ครับไม่ไดีแยกออกเป็นสามเป็นสามตัวนะครับคุณพ่อแล้วก็เคยเห็นสภาวะที่มันเหมือนกับ ว, ว่าตัวเราเนี่ยเป็น เป็นแค่ท่าตนะครับแค่มีมอมแค่มีมมรู้สึกใช่ไหมครับใช่เป็นวัตถุธาตุเแค่ต้องสัญญาการใจรองอยู่แล้วก็หายใจแค่ดูลงหายใจอยู่ครับแล้วทั้งสุวันครับแล้วก็เคยส่งไาบานหลงพ่อว่าว่าตัวเองเป็นคนที่เอ่อนั่งในถ้ำแล้วก็ทำพิธีบสชาในถาำได้หลวงพ่อแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือนะครับว่าจากดูลงหายใจแล้วก็จะเห็นเป็นอุคารสีใช่ไหครับ แล้รก็มีฝนมีการมีรเศษติเงี่ยครับมันก็คึ้่นๆลงลงนีดนึงแต่ตอนนี้คือหมายความว่าเราจะไม่เห็นแสงสว่างนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าความบ้าบมเนี่ยมันจะเข้าถึงจิตเลยคือแสงสว่าง ม, มันเป็นข้นเป็นปฏิภัที่ทีถ้าเราชมนาญนะมันก็ข้ามตรงนี้เลยกรเข้าชาน ย, ยังไม่จะเป็นต้องเข้าหนึ่งสองสมสีหกเจ็ดแปดนะเข้าถ้าชำนานเนี่ยเข้าตรงไหนก็ได้อข้ตรงไหนก็ได้ ตือตอนแรกไม่เข้าใจแล้วเราพยายามจะนั่งให้มันให้มันแสงสว่างมันขึ้นมาแป็นเ้นกเป็นเด็กครับก็คือตอนนี้ก็จากแสงที่แบบเคยจ้ามันจะแค่แบบกระจายออกไปแค่นั้นเองครับหลวงพ่อยังต้งแผ่ไม่ตายเลยสิ่งที่เราจะเอรูปนะแต่ไม่มีนแสงครับเพั้นตัวอารมณ์กรรมฐานบางชนิดจึงเต้น อ, อัปปนาสมาธิแต่ไม่มีปฏิอาิครับ เ่ถ้าเราสัาในเชื่อจิตเลยเข้าท่จิตเลยไม่มีแสงครับก็คือว่าไม่ใช่ต้องไปสนใจเขามีถ้าเกิถ้าเขาเขาต้องวังแสง่ไหมครับเรืออ่องแสงเป็นตัวผู้โลกไม่ต้องสนใจครับขอขอบพระคุณหลวงพ่อครับมรดกการหลวงพ่อครับตื่นเต้นไหมตืนเต้นครับตื่นเต้นทำยังไงดี การตำราไม่ทันรับผลตอนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับต่นเต้นทรู้ว่าตื่นเนต้นศาสตรอยู่ยนะอ้ี่างที่สุดดีว่าภามากบทีก็เผลอบางทีก็เพงนะครับเดินตะตูถ้ามันไม่ได้เนาะเกิดให้รู้ เ, ร, เ, เราเพ่งก็ว่าอยากดีเตอก็อยากช่วบอกทากงว่าในเาทุกคนสวยให้น้ยนะ จิตมีเคื่องอยู่มัน้อออะไรสักอย่างแล้วพอมันหนีไปแต่จะได้รู้เร็วเราจะได้ไม่เคยยาวเื่ได้จะเผลอสั้นๆมันมีจิตมันคิดใช่ไหใช่มนิเรื่อยถ้าเราไม่มีเคื่งอยู่แ้จิตทั้งวันมีไปเไม่เห็นพอจิงจิตนคิดทั้งวันอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเคื่องอยู่จิตคิดเรารู้ตคิดเรารู้รู้กับเผลอรู้กับเผลอนจะสับไปเรื่อยๆเราไม่ได้ปฏิบัติเอารู้แต่ไม้นะ เราไม่ได้ปฏิบัติโอรู้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้กเกลือแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่เกลือไว่ชั่วเปล่ารู้ไม่ชัววช่วเปล่าเกอือก็ห้ามไม่ได้รู้ก็รักษาไม่ได้จะดูเอให้เง็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะรู้นะเรรู้เล้วตื่นรู้แล้แต่ปฏิบัติรู้รู้รู้แตเ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รืรู้อยู่ซื่อยู่เฉยเยใช้ไม่ได้ขัดแยกกันครับพี่โกขัแยกกัครับ ร่างรู้สึกยังไงอ่ะเป็นความรู้สึกกระใจเป็นพลังงานไหมโลปลดลงขจิตใจใและพลังงานจะหล่อไหล่ะครับสอเห็นเจ้ามัน อ, อล่อเิมขันไปขี้แยเลยการรับร้อครับข้อมีโอกาสได้ฟัจจับีรองข้อมาสัมปทานนะครับขอ้อเรื่องปฏิบัตนะิากเห็นไว่าเราเดี๋ยวนี้เราแต่งความไวนะไหมมีความเปลี่ยนแปลงไหมมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็คือก็จะดูจิตดูใจอย่างที่หลวงพ่อสอนในซีนะครับแล้วงมีโอกาสไปดูการบ้าคือคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทำมาได้เรื่องั้เรื่องสิไดเรื่องแลเด็กกำลงแทนใช่จิตมันเป็นยังไงว่านักตัวจิตมันเป็นยัไจิตมันไม่เชเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี่อเป็นอย่นี้เห็นไหมจิตทำงานได้เอง คือจะเห็นชั้นตอนที่แบบทำกรรมฐานดูลงหายใจเนี่ยครัก็มันจะไม่ค่อยอยู่ลงหายใจเก็คิดตลอดหรู้ว่าคิดมันก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งอเรื่อๆ่เยหายใจไปม่ได้ฝึกก็ไม่ไม่ให้คิดนะเรื่องไให้หลงไปคิดยาวแตใจไปปฏิบัิคิดรู้ทันมันก็รู้ขึ้นมาน่ยหน่เยคิดใหม่คิดใหม่รู้ใหม่คิดใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยต่อไปการรู้เนี่ยจะถีกขึ้นถีขึ้น จะตีย่ึมันมรู้สึกตัวท่ยามานที่ทำูกถูกมครับตูกิสิให้ให้ทรู้รู้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วอีกผมติดเท่อะไรมครับมอมก่อนนี้จะชอบเท่งนรับเป็นปเต์อะไรหรือไม่เทเชื่อใจจะแ่นๆให้หู่ประมาณนี้มีได้ได้ไไม่ได้ก็ไม่ขอไเท่งจะมอยู่ตรงไหนไม่ได้ ก็คือให้รู้ให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้มันอยู่ตรงไหนสัตว์หรับตัวนี้ให้ดีนะเดี๋ยวถ้าให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าให้อยู่ตรนั้นไม่ให้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้รู้หนีไปก็รู้กลับมาก็รู้มันสบก็รู้มันทุก็รู้มันดีรู้ชั่วก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นลองฟางค้างวันจันนาหน่อยครับผมไหนนานมากที่นานมากก็น่าเกลียด นานปีๆที่ทำอยู่ก็ขอขอการบ้านให้หลวงพ่อช่วยสี้แน<ะ>่ถ้าขึ้นขันจิตส่น้าอยู่ล<บ>องไปหายใจจะสบายแล้วรนะู้วจิ ต, ตจิตดีคิดก็รู้จิตจิตเท่งลงหายใจก็รู้อ ย, อย่างนี้เลยฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นชำนาญต่อไป่ไแข่ขันทำงานได้เองขันไปก็แยกแล้วล่ะครับขอบขอบหลวงพ่อครับค่ะน้ำมัสกหลวงพ่อคับ แล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะคะ<ม>เ อ, อ่อนแรกก็ขอพมาณผมพ่อด้วยะคะ<ม>่ะถ้าหากว่าจิตไปฟังนักบุาอาจารย์หน่อยไม่ต้งเลยจะขอสงการปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะได้ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็ฟังจากที่หลวงพ่อบอกว่า ถ้าเราจะเห็นใจรักต้องแยกธาตุแยกขันได้ก็ลองนั่งสมาธิพอเมื่อยแล้วก็ฝืนปฝืนความเมื่อยจนว่าเราก็เห็นว่าเวต น, นาที่เข้ามาคือก็เป็นจุดเล็กๆอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ขาเราก็อยู่ส่วนนึ่แล้วก็ใจเราก็เป็นผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นก็คือเราไม่รู้ว่าแยกธาตุแย้ขันได้แล้วก็เราไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงคร่ะ แล้วพอวันหลังมาฟังสีดีอีกหลวงเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องหาอะไรมากระตุ้นให้ให้เกิดเห็นสภาวะถามก็ตั้งใจที่จะไม่ดืมของเหมืนมอนเมาใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเลยล อ, องซื้อสะพายมาก็ไปแช่ตูอเย็น้อย <c oughs> แล้วพอ นั่งนั่งก็แสเนเขาว่านั่งดื่มอยู่แต่เราก็ไม่ดื่มค่ะแล้วพอแกถามว่าอ่าะเธอไม่ดื่มเหรอก็เราก็นั่งนั่งก็คือกำลังคิดคิดอยู่ก็ได้เนี้ยสักพักเราก็เห็นเหมือนกับจิตเราตัวนึงค่ะว่าแต่เอามาทานสิแล้วก็มีจิตอีกตัวหนึ่งห็อกไม่ทานหรอกเราไปตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ทาน แล้วอยู่ดีดก็ลุกขึ้นไหยิบมาโดยที่ว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะดื่มหรือไม่ก็ก็สงสัยพอพอเรื่องได้ว่าอ๋อเนี่เรายังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยเลิกดื่มก็ก็ไม่ดื่มต่อ <c oughs> จนพอวันหลังมาเราฟังซีดีก็ลองข้อตอบคาถามของผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีจิตวิทที่ตัดสินใจโดยที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะ แล้วพอเหลังมาก็รูดหักฉีดน้ําออกมาข้างหน้าห้องน้ำแล้วเราก็เห็นว่าความปวดเกิดขึ้น<ม>แล้วพอราาู้ทันปุ๊บก็เหมือนกับตัดไปกลางอกค่ะ<ม><ม>เป็นเส้นบางๆตัดที่กลางอก<ม>แล้วหลังจากนั้นมาก็ก็เราก็ดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆแล้วจนวันที่สิบห้าพฤษภาก็ขับรถออกมาข้างนอกแล้วก็มีรถปาดหน้าค่ะ เราก็เห็นความปูหมูคัะเกิดขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บเขาก็ตัดอีกครั้งนึ่งก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเส้นใหญ่บางๆแล้วพอทันปุ๊บก็จะเห็นความเป็นกลางค่ะเป็นเส้นใหญ่เหมือนแบบคือถ้าตัดเราก็คือขึ้นเตะ ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่มีด้านไหนน้อยกว่าเลยค่ะเห็นเป็นเส้นตรงแล้วอยู่ดีๆก็เห็นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นไม่มีคนไม่มีรถไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นแต่แสงสว่างแล้วก็เอ่อก็จะ แล้วมองเห็นถนนปะไม่ไม่มีอะไรค่ะเห็นแต่เป็นแสงสว่างแต่เราตอนแล้วมันก็ย้อนกลับมาดูที่จิตก็จะเห็นเป็นเป็นไม่ไม่ใช่เราคนเดิมค่ะเห็นเป็นแสงสว่างอยู่แล้วก็เรอเรามก็คือเห็นเป็นร่างกายเราก็คือยังนั่งขับรถก็คือควบคงมไปแต่ก็ไม่รู้อะไรแล้วก็สัมผัสแต่ความสุข มันเป็นความสุขจางมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วความรู้สึกว่าเป็นเราไม่นีไหมก็ยังมีแอบแสดงว่าตัวนั้นยังไม่ใช่โสดาบันค่ะยังเป็นเราเพิ่มีกก่อนก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อบีบไปท่าน ก็อยากจะขอการบ้างหลวงพ่อพต่อไปค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอตรงนี้มันจะไปดูความทุกข์ค่ะแล้วตเราเราจะไเป็นกลางด้วยละให้รู้ทันนะคือจิตแรกอ่านรูนส้สภาวะรู้ตัวรู้ตัวแล้วดูสภาวาระพรู้สภาวะแล้วก็รู้ทันจิตที่เปกนกลางไม่เป็นกลางเป็นขั้นๆอย่างนี้นพจิตเป็นกลางแล้ ว, วเีขาจะเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณให้ตรงๆเรย่างที่บอกเลย ก็ยังมีค่ะแล้วไปดูตอนที่ใบมันกินแดงขึ้นมั้อ่าก็เลยอีกนิดหนึงค่ะหลวงพอตอนหลังจากตอนนั้นที่เกิดสภาว่าตรง น, นั้นแล้เรามาแรกสมาธิค่ะขอกมาแรกสมาธิวันนั้นแล้วก็มันจะเกิดมันกับอะไรหนงหนว์หรื อ, อ, อที่ช่วงท้องเราค่ะเป็นหมนุนแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตุกตุกๆุกอยู่ในกลางท้องค่ะแล้วพอ สภาว่าตรงนั้นเกิดขึ้นเ็ตแเราก็เห็นบ้างเราจะจ่ายออกไปเปนสองค่ะแล้วก็เป็นคนจัดนผลัิที่เสร็เงานการนักงานนะหลังพนัการสองพ่อค่ะทัางนี้ม็นมีการการส่งการบ้านครั้งที่สอานะคะก็เลย ไม่ได้ใจว่าเออหลังจากที่ครั้งแรกสาสี่เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะมันเตรงนี้เนี่ย่แว่าตัวนะรใช่ไหม้ง่ด็กดีแล้วแล้วเออ็นห่างนิดนึงนะครมีความรู้สึกสับสนว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีทัที่เราได้ฟังมาว่าเวลาตอนานั่งทำงาน หลังจากที่ครั้งแรกที่ไปไปกลัะกลับกลับหลวงพ่อนะคะก็กลับมาทำในรูปแบบก่อนหน้านี้ทําในรูปแบบที่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาลองทําแบบทุกในรูปแบบแล้วเนี่ยสัดสวนว่าเออเวลาตอนเราจะอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่กับพุ่งโพก่อนหน้านี้ทําความรู้สึกว่าเวลาที่ได้รับการสอนมานะคะว่าหายใจเข้าทุ่งโพหายใจออกพุ้งโพแต่พอตอนช่วงที่เรา ทำในรูปแบบจริงๆมันก็ต้องทให้สองย่างทีมันเนการนะครับนะเรามาลบกันได้ไได้คะสลบกันได้ก็หไปเหล่าไหนๆมันาใจ้าเพียบหายเวนะแตะมากขึ้นมันเต่งแล้วท่านก็ดีตอนพุ่งโนหนึ่งพุโทสองโต่โสามเยพจิตเร้่สงบนให้การนับก็หายพจิตสงบมากขึ้นพุ่งโทนก็หายเลยเนือกระเ็นจิตสงบมากขึ้นลมหนใจเป็นแสน เราสซอร์ไพร์เราไปปแสนข้าวแห้งแต่ข้าวปุ้แต่เดียวตัวก็ด้พันละหมาดไม่ต้องเรื่องอะไรก็ไ้เอาที่ขนาดกลางฐานที่ขนาดแล้วที่ปฏิบัติมานี้ถูกทางไหมถูกขึ้นเวลาจะทำติดสิละละอายใจไหออย่างนี้ถูกแน่นอนปฏิบัติคนเองพรเที่ยวที่แล้วอกให้ไปร แล้วก็เีอกครับกครับในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วมกันกล่าวคำถวายอาญารีบุ้มานำถวายพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งายขอน้องสวาย และสิ่งของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปามโณปามโชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพรจทั้งหลายและครอบครัวแก่าเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตับสิ่งการลนาเถิับสิ่งการลนานเถิ แสงเลวร้ายเกิดน้ำเป็นน้ำประปาที่จิตต่างกันต i างดิ้นรนที่เป็นวันสุนท a ภูสักเทุสังาจดาสวียคารุสิราทีริวจสโโิรสุเทายีายภว อภิบาลศาสนาสียช่วยแก้หลุดขาดใจโล่จตารูธรรมาวัตนียุปโยสุขามกันเลยแต่ถ้าหลวงม่อจมาให้กับผจันะเวลานี้งพ่จะเ้ามเ่กันนยพเราไม่ได้ต้องสเแคเดินทาาเพื่อมา่อให้คนแสมั A lot of энергomenics